ทึกพระธรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มหาบัวยานักสัมปันโนแดงเมื่อวันที่๒ดกรกฎาคม๒๕๕๗ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีศาสนาได้มาเกิดเป็นมนิษย์เหียบวาเป็นเล่นรอบจากบาลยาภูมา นั่นเป็นผู้ได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่มีโอกาสเป็นมนุษย์ได้เช่นพวกเราในอัตภาพนี้เรียกว่าเราได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายอย่างเห็นได้ชัดชัด ต่อแต่นี้ไปเราปรุงพยายามรักษาเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ของเราไว้ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อจะให้มีฐ า, านะที่สูงยิ่งกว่านี้ขึ้นไป แม่ความเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ยังมีฐานะเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันทั้งความรู้ความฉลาดอำนาจมาณาจักก็ไม่เหมือนกันการเกิดอาบพกับพุทธศาสนาก็เห็นประจักษ์ใจด้วยกันทุกๆุกท่าน จึงไม่ควรสงสัยในชาติของตนเองว่าเป็นอะไรนอกจากเราจะพยายามสั่งสมคุณงามความดีเพื่อเสริมเกียรติของเราทั้งในอัตภาพนี้และคติที่จะเป็นไปในการข้างหน้าเท่านั้น เราเกิดเป็นมนุษย์คล้ายกับว่าเรามาทำการค้าขายเพื่อเพิ่มภูมิกำไรของเราให้มากขึ้นต้นทุนได้สนับสนุนให้เรามาถึงขั้นเป็นมนุษย์และได้มีใจเลื่อมใสพระพุทธศาสนามีเป็นต้นทุนที่มาจาก ครบก่อนซึ่งเราได้เคยสั่งสมไว้แล้วเป็นนิสัยตัดใจติดเนื่องกันมาถึงอัตภาพในหมัดนี้เราก็พยายามรักษาต้นทุนน้ไว้เพื่อหมุนหากำไรได้แจ่นำกายวาจาใจอันนี้สร้างคุณงามความดีคือมองดูโลกเราก็ควรจะมองเห็นทัดแล้ว เพราะเราได้อยู่ในโลกมานานด้วยกันยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบก็ยังมีโลกนี้กว้างแคบยาบละเอียดหรือทุกประการใดเราก็ควรจะทราบด้วยกัน เพราะเรื่องโลกนี้เป็นโลกของเราไม่ใช่โลกของผู้อื่นใดทุกสิ่งจะต้องรวมอยู่ในโลกซึ่งเป็นโลกของเรานี้ด้วยกันคำว่าโลกก็คือเมืองแห่งสมมุตินั่นเองถ้าจะเป็นกายก็เรียกว่าความสมมุติหรือกายยานาขอดเมืองนี้ก็เป็นเมืองสมมุติ และทุกสิ่งจะต้องรวมอยู่ในกายนะครนหรือจิตนครของเล่านี้เราอย่าเห็นว่าแผ่นดินต้นไม้ภูเขาเป็นโลกของเราแผ่นดินมันเป็นโลกอันหนึ่งของเขาต้นไม้ภูเขาเป็นสภาพอันหนึ่งของเขาดินฟ้าอากาศเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งต่างจากโลกของเราโลกที่เรารับผิดชอบอยู่ทุกวันนี้ กายนาครกับกิตจนครของเหล่านี้ซึ่งเป็นโลกอันหนึ่งอย่างสมบูรณ์เราได้ผ่านมาแล้วด้วยกันจึงไม่ควรจะสงสัยว่าโลกอันนี้จะเป็นอะไรต่อไปอีกโปรด้ดยมองดูโลกนี้ให้เห็นชัดเรื่องความสุขความทุกข์ที่เคยผ่านมาก็ผ่านมาในโลกอันนี้ และก็มาหยุดอยู่ในโลกอันนี้ความสุขความทุกข์ก็ผ่านมาที่โลกอันนี้และอยู่ที่โลกอันนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนสัญนจรไปมาอยู่กับโลกแห่งกายนาครและจิตนัครนี้ด้วยกันเราผู้อยู่กับโลกอันนี้ควรจะเห็นเรื่องความสัญนจรไปมาและความอยู่แห่งสภาวะทั้งหลายทั้งที่เป็นส่วนทุกส่วนคุก ซึ่งมีประจําอยู่ด้วยกันถ้าเรามองดูโลกนี้ไม่ชัดเราจะไม่มีทางแก้ไขและจะไม่มีวันหายสงสัยในโลกนี้อีกต่อไปพระพุทธเจา้าปรากฏว่าเป็นศาสดาของโลกท่านก็เดิผ่านโลกอันนี้มาเช่นเดียวกับพวกใดนอกจากผ่านมาแล้วท่านยัง ทรงพินิจพิจนารณาโดยพระปัญญาของท่านจนเห็นแจ่มแจ้งทั้งฝ่ายดีฝ่ายทั่วซึ่งเป็นสิ่งจากคนละควรถอนทั้งฝ่ายดีซึ่งเป็นสภาพที่พระองค์จากทรงบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในโลกแห่งพระองค์ท่านผลที่สุดก็ได้หลุดู้นไปด้วยอำ น, นาจแห่งการพิจนารนณา เป็นผลให้หายสงสัยได้ตัวโลกที่แท้จริงก็คือเรื่องของใจที่ครองร่างนี้อยู่ด้วยกันแต่เรามองข้ามโลกที่แท้จริงไปเสียจึงไปต ะ, ตะคุบเงาของโลกเมื่อเราไปตะคุบเงาของโลกแล้วก็คว้าได้แต่น้ำเหลวจึงบนกันใครอยู่ที่ไหน ไม่ปรากฏว่าได้เปล่งออกมาด้วยความสดชื่นและเบิกบานจิตใจที่เกิดมาจากการค้นพบแห่งความสุขในโลกนี้ว่าข้าพเจ้าได้มาอยู่ในโลกนี้เป็นเวลาเท่านั้นตีได้ค้นหาความสุขในโลกนี้ เวลานี้ข้าพเจ้าได้ประสบพบผิวเสียแล้วซึ่งโลกนี้เป็นโลกอันสมบูรณ์เมื่อความสุขเวลานี้ฉันนั่งฉันนอนฉันก็สบายจะไปที่ไหนมาที่ใดฉันก็สบายทุกสิ่งทุกอย่างฉันไม่ขัดข้องขัดเคิอนอย่างนี้ไม่เคยปรากฏลายไหนเลยเปล่งอุทานออกมาซึ่งบรรดาท่านผู้ที่ได้มาร่วมอยู่ในโลกนี้ นี่เพราะมองข้ามโลกที่แท้จริงไปส่วนพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้มองข้ามโลกที่แท้จริงโลกนอกก็คือสภาวะทั่วทั่วไปที่เราอาศัยเป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งโลกในเข้ามาก็คือส่วนร่างกายโลกในเข้าไปจริงๆก็คือ เรื่องของใจพระพุทธเจ้ามองทะลุปูปรลงไปหมดทั้งโลกนอกทั้งโลกในคือพระกายทั้งโลกในจริงๆคือเรื่องของใจเลือกเป็นพินิจพิจารณาให้เห็นชัดมาตั้งแต่เรื่องจะก่อกำเนิดเกิดเป็นโลกขึ้นมาเป็นขึ้นมาเพราะอะไรเมื่อก่อกำเนิดเกิดเป็นโลกขึ้นมาคือเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้ว ยังมีความเลื่อมล่ำต่ำสูงมีอัตภาพร่างกายไม่เหมือนกันมีความรู้ความฉลาดความมั่งความมีไม่เหมือนกันเป็นเพราะเหตุใดมีพระพุทธเจ้ายัางทรงค้นอีกทีนึงคนถึงหลากฐานแห่งตัวเหตุที่จะทำสัตว์ทั้งหลายไม่ให้เหมือนกัน แม่จะเกิดมาเป็นชื่อเป็นนามอันเดียวกันเช่นคำว่าเป็นมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นก็มีความแตกต่างกันอยู่ในลักษณะท่าทีอุปนิสัยตามที่กล่าวมาแล้วไม่เหมือนกันเลยเมื่อพระองค์ท่านได้จงค้นพบนึกค้นลงไปก็ไปเจอเที่หลักแห่งกรรม หลักแห่งการกระทำกรรมหรือต้นเหตุแห่งกรรมคืออะไรก็คือเรื่องของใจเป็นซึ่งเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะทํากรรมอยู่ทุกขณะทํากรรมดีก็ทําขึ้นที่ใจทําชั่วก็ทําขึ้นที่ใจฉะนั้นใจจริงเป็นเหมือนโรงงานเป็นที่ผลิสิ่งต่างๆขึ้นมาให้ปรากฏผล สำหรับผู้ทำนั้นจะได้รับจิตต่อต่างๆกันแล้วแต่การติด ก, กรรมของตนที่จะติดขึ้นมาประเภทใดผลจึงจะให้เหมือนกันไม่ได้นี่ลักษณะของการลิด ก, กรรมลิดขึ้นมาจากโรงงานอันใหญ่คือเรื่องของใจนี่แหละ ลากฐานของโลกก็คืออันนี้และลากฐานของธรรมก็คืออันนี้เมื่อผู้ที่จะนาโลกให้ทั่วถึงแล้วโลกคือจิตใจนี้ก็จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาแต่หากว่ามองข้ามโลกที่แท้จริงนี่ไปเสียก็จะกลายเป็นโลกอันลุงรังภายในจิตใจเกิดในชาติใดพบใจก็ไม่สมหวัง แทนที่จะเกิดให้สมบังท่ายก็ว่าตั้งเข็มทิศแน่วแน่ตอพบนั่นชาตินั้นแต่ขั้นปรากฏเป็นผลขึ้นมาก็ไปคนโลกไปเสียเช่นควรจะเป็นมนุษย์แต่ก็กลายไปเป็นสัตว์เดยฉันไปเสียเช่นนี้หรควรจะเป็นมนุษย์ที่ดีสมประกอบก็กลายเป็นมนุษย์ญกลมีการไปเสียใบบ า, บาเทเสียจริตซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งตนเองและบุคคลผู้อื่นไปเสียนี่ เพราะเราตั้งเขียนทิศคือการผิดกรรมนั้นไม่ถูกทางตามหลักแห่งกรรมหรือตามกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วอะไรชั่วแต่ผู้ทำนั้นต้องการของดีส่วนตนกลับไปทำความชั่วเสียกรรมที่ปรากฏขึ้นจากการกระทำนั้นจริงกลายเป็นความชั่วเป็นเครื่องสังหารตัดรอน ความปรารถนาของตนแต่เสียโดยไม่มีผู้อื่นใดมาเป็นค่าสิทต่อตนเองนอกจากเรื่องของกรรมที่ตนแย่เองทาลงไปในทางผิดแล้วกลายเป็นพลิศขึ้นมาให้ตนได้รับความเดือดร้อนเท่านั้นฉะนั้นการมองลูกกรรมอันนี้หรือกา ร, กระทำกรรมจึงเป็นหน้าที่ของแต่ละท่านผู้พร้อมแล้วที่จะทำกรรมอยู่ทุกขณะจะวินิจฉัยไครวนในกรรมของตน ว่าควรจะทำกรรมไหนมากกรรมไหนน้อยควรจะละถอนกรรมใดที่เห็นว่าไม่ดีไม่งามและควรจะเจริญกรรมไหนที่เป็นกรรมดีซึ่งทัานเนียกว่ากุศลาธรรมะมกรรมที่เป็นกุศลกรรมที่ทำด้วยความฉลาดหรือทำแล้วทําบุคคลให้มีความฉลาดเยียบคายให้ถึงซึ่งแดนแห่งความสุขซึ่งเรียกว่าบุญได้อกุศลาธรรมะก็ออกจากโรงงานอันเดียวกัน แต่ไม่ผิดเพราะอันนี้เป็นศาสต ร, ราอาวุธเครื่องทิมแทงตัวเองเครื่องสังหารตนเองงดไว้เสียไม่ทำนี้จะเป็นผู้สามารถทำได้อยู่ก็ไม่ทำเพราะเห็นว่าทำแล้วไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและบุคคลผู้อื่นด้วยนอกจากจะไม่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันนั้นยังจะกลายเป็นโทษในอนาคตต่อไปอีกเมื่อวินิฉัยได้ความเช่นนี้แล้วไม่ทาเสียซึ่งกรรมประเภทนั้น พยายามทำตั้งแต่กรรมที่ดีจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตไม่ละการกระทำความดีเลยความดีนี้จะไปอยู่ที่ไหนเล่าใครเป็นผู้ทำกรรมดีก็ต้องเป็นสมบัติของผู้นั้นไปอยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนในภพใดชาติใดผู้นั้นก็ต้องเป็นคนดีต้องได้รับของดีเสมอ เพราะของดีนั้นเป็นตนเป็นผูทธธรรมไแล้วจะให้กลายเป็นภูมิรับย่อมไม่ได้อยู่นั่นเองนี่เราได้เกิดมาพบกับพุทธศาสนาซึ่งสอนหลักของกรรมว่ามีอยู่ในตัวของเราทุกท่านเราผู้เป็นพุทธเบริจัดจะสะดับปรับฟังโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจรึง ทำหนึ่งถึงเรื่องของเราให้มากกว่าเรื่องอื่นใดทท้งนั้นโลกกว้างแสนกว้างใหญ่แสนใหญ่จนเราไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่ามีกี่โลกด้วยกันในโลกสมมุติอันนี้แม้เช่นนั้นเขาก็ไม่มีความหนักหน่วงพอจะเป็นภาละ ให้เราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะเขาแต่ว่าโลกแห่งความเป็นอยู่ของเราคือมีกายกับใจนี้เท่านั้นเป็นโลกที่สําคัญเราต้องได้รับความผิดชอบอยูตลอดเวลานับตั้งแต่วันก้าวเข้าสู่ปฏิจจทิฏฐิอินยานออกมาเป็นรูปล่างกลางตัวของสัตว์ของหมุมผมของเราของเขานอกจากเราจะเป็นภาระ ในการเลี้ยงดูและเป็นภาระในการจะเลือกเป็นสิ่งที่จะเป็นคุณประโยชน์แก่ถาดนี้แก่จิตใจของเราแล้วเรายังจะต้องเลือกเฟ้นทางไปของโลกอันนี้อีกด้วยคือโลกของจิตนี่เดียวจิตนี้เป็นโลกอันหนึ่งคือผู้ท่องเที่ยวเราผู้เป็นนายช่างจะต้องไกรกรอง ดูเส้นทางที่ควรจะไปของจิตว่าไปแล้วจะเป็นไปเพื่อความกเกษมเป็นไปเพื่อความสูกความเจริญฉะนั้นนางท่านทั้งหลายที่ได้มาอบรมบําเพ็ญตนเองไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ว่านักบวชคารวาัตรมีน้ําใจคือเจตนาอันเดียวกันเพื่อมุ่งจะดัดแปลงลืดถากถางทางที่ถูกต้อง ตั้งเข็มทิศให้ตรงแน่วแน่ต่อจิตอันเป็นที่พึงการาถนาเพื่อตนเองแล้วดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามนั้นไม่เห็นแก่ความยากลำบากไม่เห็นแก่ความหิวความกระหายไม่เห็นแก่ความขาดแคลนไม่เห็นแก่ความเลี่ยนแย่กันบาดมีความมุ่งหน้าจะพยายามดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามเข็มทิศที่ตั้งไว้คือความสุก นับตั้งแต่ความสุขส่วนติดย่อยจนกระทั่งถึงความสุขอันสมบูรณ์ได้แก่ยมุทภนิฐานเมื่อได้คิดอย่างเต็มใจแล้วด้วยกันเช่นนี้เรื่องความยากความลำบากความมีความจนความโง่ความขัดสนอันใดทั้งหมดจึงไม่สามารถมาเป็นอุปสรรคตัดรอนหรือกีดขวางทางเดินของเรา ท, ทุกทุกท่านได้สามารถจะบำเพ็ญได้ด้วยกัน ไกลก็มาได้ใกล้ก็มาได้ยากก็ปฏิบัติได้บำเพ็ญได้จะลำบากสักขนาดไหนเราเป็นนักต่อสู้เราอยู่ในโลกถ้าเราไม่ต่อสู้โลกของเราก็ไม่เจริญตะกอนกายเมื่อไม่มีอาหารปัจจัยเป็นเครื่องอุดหนุนบำรุงต้องแตกสลายทําลายไม่ตั้งอยู่ได้กี่วันเท่าที่โลกคือ่วนแห่งร่างกายตั้งมาได้จนถึงวัยขนาดนี้ด้วยกันทุกๆุกท่าน ต้องอาศัยการต่อสู้เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของส่วนขาดขันของเหน่านี่โลกเราก็เคยต่อสู้มาจนได้ชัยชนะได้รับความสุขความสบายในส่วนร่างกายเพราะไม่อดอยากขาดแคลนสิ่งใดซึ่งตนพยายามหามาได้ด้วยความอดหรือความขยันหมั่นเพียรท่านี้นอกจากนั้นแล้วเรายังจะพยายามเป็นนักต่อสู้เพื่อทางบุญ คือทางแห่งความสุขความสำหรับทางบุญนี้จะไม่มีใครเป็นผู้นำเราไปนอกจากท่านจะเป็นผู้แนะนำพร่ำสอนเราให้ดำเนินคนเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นศาสตาของโลกก็ไม่เคยมีไม้เท้าให้สั์ทั้งหลายได้ยึดและเดินตามพระองค์ท่านไปจนถึงพระนิพพาน นอกจากไม้เท้าคือพระธรรมวินัยที่สั่งสอนไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายจะพยายามไต่เต้าไปตามด้วยข้อปฏิบัติของตนเท่านั้นไม่มีจะเป็นญาติมิตรสารหิตพ่อแม่ที่มีความรักสนิทสนมประหนึ่งมาเลือดเนื้อของตนเองจริงๆก็ตามแต่ก็สุดวิสัยของท่านเหล่านั้นจะพยายามชักจูงหรือ พาเราไปให้ถึงจุดนั้นได้นอกจากเราระจะพยายามช่วยตนเองด้วยข้อปฏิบัติหรือเป็นผู้กล้าเสียสละเป็นนักต่อสู้เพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยข้อปฏิบัติของตนเท่านั้นมีจึงเป็นประโยคสาคัญคือประโยคที่เราจะถากถางหนทางที่แนวทางเขียนคิดให้กิดเดินเพื่อความ สะดวกติจสะดวกใจในการทางหน้านี่เป็นประโยคสําคัญสําหรับเราเรื่องโลกจริงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเราผู้ที่จะก้าวไปโลกหน้าก็คือเราเราไม่ต้องสงสัยเรื่องพบก่อนพบหลังที่เป็นมาอนาคตทางหน้าที่จะไปเกิอดอีกเราเคยเป็นมาอย่างไร เหตุที่เราจะเป็นมาในภพชาตนนินั้นเราเป็นมาเพราะเหตุใดถ้าตัวเหตุที่เคยเป็นมายังมีอยู่ภายในตัวของเราแล้วเ <ST AR> หตุที่จะพาเป็นอยู่ในชาตินี้เ <ST AR> หตุและเหตุที่จะพาเป็นไปในชาติหน้าต้องเป็นเรื่องของเราโดยจรงไม่มีใครจะสามารถมาคัดค้างหรือคัดท่านหรืหรอกดเรื่องเรื่องความเป็นมาเป็นอยู่เป็นไปของเหล่านี้ได้ นอกจากการอบรมจิตใจของเราซึ่งจะเป็นการกดเครื่องหรือตัดรอนพพชาติของตนให้น้อยลงเท่านั้นจนกระทั่งถึงหมดไปไม่มีใครจะมาสามารถทาให้เราได้เราเป็นนักเกิดมาแล้วด้วยกันทุกคนเราอย่างโง่ต่อความเป็นอยู่ของเราความเป็นมาของเรา การเกิดเป็นเรื่องของเราไม่ว่าพบชาต์ไหนๆแน่ที่สุดในอัตภาพนี้ก็เป็นเรื่องของเราเป็นผู้สั่งสมความเกิดเอาไว้ดีทั่วเราจรึงได้มาปรากฏตัวให้เห็นประจักษ์อยู่ภายในตัวเองโดยจะคัดค้านตัวเองไม่ได้และพบหน้านั้นเราเราจะปฏิเสธได้อย่างไรเมื่อเราก็เป็นผู้ พาสาเหตุนำมาเกิดเพื่อเองและพาสาเหตุคือตัวจะทำให้เกิดนั้นมาเกิดเพื่อเองและสาเหตุที่จะทำให้เกิดแล้วเกิดเหล่าตายแล้วตายเหล่าหมุนไปวนมานี้ยังมีอยู่กับหัวใจของเราแล้วเราจะปฏิเสธทางเดินของสาเหตุแห่งมัตตะอันนี้ได้อย่างไรนี่เพราะฉะนั้นจึงขอย้าอีกบ้างเราอยากเป็น คนโง่ต่อความเป็นของหลังการเกิดเป็นเรื่องของเราเราเคยเป็นมาแล้วและการข้างหน้าจะเป็นเรื่องของเราอีกไม่ใช่เป็นเรื่องของใครโดยเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยยังจะเป็นเรื่องของเราอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกับเขาเราจงพยายามอบรมคุณงามความดีของเราให้เพียงพอแก่การจะเกิดในสถานที่นั้นที่นั่นนั้น ให้เป็นที่พึงปรารถนาของเราจนได้หากว่าเรามีความสามารถด้วยสติปัญญาศรัท ธ, ธาความภาคความเพียนแล้วเรื่องการเป็นมาของเรามาถึงปัจจุบันนี้ก็จะสามารถขาดทําให้ขาดสิ้นลงได้ไม่มีปัจจัยใดๆที่จะสืบพบต่อไป ไม่ว่าพบใดชาติใดไม่ว่าพบชาติที่ดีหรือชั่วขนาดไหนสูงต่ำขนาดใดจะไม่สามารถเอื้อมเข้าไปถึงจิตใจของท่านผู้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่ได้แก้ไขตนให้หมดสิ้นไปโดยทิ้งเฉยแล้วเช่นข้าพุทธเจ้าของอย่านั่นี่ว่าท่านเป็นผู้มีความฉลาดต่อความเป็นของท่านคือความเกิดสามารถตัดรอนความเกิดลงได้ จนขาดกระเด็นไปจากพระไทยกลายเป็นใจของพระพุทธเจ้าที่เลิศโลกขึ้นมาการจะทำได้เช่นนั้นนอกจากจะบำเพ็ญบุญงามความดีเพื่อจะแก้ไขโลกภายในคือจิตใจกับกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งความเกิดนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะเหนือจากธรรมะคือความดีนี้ไปได้ การเกิดตายในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้รู้ยิ่งเห็นจริงทั้งเรื่องการเกิดตายทั้งการทนจากการเกิดตายไม่มีใครจะเหนือพระพุทธเจ้าไปได้พูดกันอย่างไรไง พวกเราทั้งหลายนี่ถ้าจะเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกันกันกบปลาหรือเป็ดที่เที่ยวเล่นน้าอยู่ตามริมคลองหรือตามคลองซึ่งเป็นน้ำสขกกร ะ, ะโตกโขคลกหรือน้ำใต้ถุนบ้านถุนเหือนมีความสนุกเพลิดเพลินในน้าใต้ถุนบ้านถุนเหือนซึ่งมองดูแล้ว มีแต่ของสกรปกสกรปกโครกเต็มไปหมดในน้าที่เป็ดหรือปลาเล่นอยู่นั้นถ้าหากว่าน้ำในปลาในมหาสมุทรทะเลหรือนกในมหาสมุทรทะเลได้มาดูปลาหรือดูเป็ดในครองหน้าบ้านและเป็ดอยู่ใน ไดถึงบ้านถึงเดือนแล้วปาทะเลก็ดีนกในทะเลก็ดีเขาจะหัวเราะเยาะวันย่างคําแต่เราก็เห็นว่าเป็ดหรือปลาในคลองนั้นก็เห็นว่าดีพอใจจะเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่จนได้วันย่างคําไม่มีเหนื่อยเลย ทั้งๆ ท, ที่ปลาทะเลและนกในแม น, น้ำมหาสมุทรทะเลนั้นเขาไม่ปราถนาและหัวเราเยาะด้วยมีเทียบกับเรื่องอะไรความสุขที่เราเป็นอยู่ในภพในชาตินี้เป็นความสุขเช่นเดียวกับความสุขที่เป็ดได้รับจากการเล่นน้ำใต้ถุนบ้านถึงเดือน และปลาที่เล่นอยู่ในริมคลองน้าบักไม่ใช่เป็นความสุขที่น่าเกิดเทินสนุกสนานลื่นเลงบันเทิงซึ่งเป็นความสุขแล้วไม่เสื่อมศพเหมือนความสุขของพระพุทธเจ้าเลยสามโกทั้งหายความสุขของพระพุทธเจ้าเป็นบร ม, มสุขท้าเทียบแล้วเหมือนกันกับความสุขของปาลาหรือนกในมหาสมุทรทะเลลึกก็ลึก น้ำในมหาสมุทรทะเลกว้างกว้างกว้างปลาจะตัวใหญ่ใหญ่ขนาดไหนแหวกว่ายหัวหางกลางตัวเที่ยวเล่นได้สะดวกสาบายนกจะวิ่งไปบินไปที่ไหนเล่นลงที่ตรงไหนก็ได้ไม่อัดไม่อัดเพราะกว้างขวางมากมายในน้ำมหาสมุทรทะเลนั้นเรื่องความสุขของพพุทูเจ้าจนเลยขั้นสมมติแล้วจะมีขอบเขตที่ไหน โลกแม้จะกว้างก็ยังมีเขตสมมุติบังคับกันอยู่จะเป็นรูปประพบก็มีเขตกำหนดอรูปประพบก็มีเขตกำหนดกามาพบก็มีเขตกำหนดความสุขจะไม่มีเขตกำหนดอย่างไรเมื่อสมมุติเป็นรั้วกันเขตกำหนดให้เห็นอยู่เชนนั้นส่วนความสุขของพระพุทธเจา้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านพ้นจากพรามสมมติ อันเป็นเขตดแดนของโลกมีี่เยกปัญหาอย่างพวกเราเลยเราจะไปคาดคะเนความสุขของท่านให้ถูกต้องได้อย่างไรนั่นจิงนให้ชื่อว่าประมังสุขถังเป็นสุขที่เยี่ยมยอดเป็นสุขที่เหนือสมมตินิยมใดๆทรงนั้นนั่นเป็นความสุขของพระพุทธเจ้าที่รับความรื่นเริงบันเทิงเพราะการอบรมดัดแปลงพระองค์ท่าน เพระเาะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นบรรดาศัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในกองทุกข์ความทรมานของตนแม้จะมีการหัวเลาะมีการขับลำทำเพลงเิดกระเกืเ่อเฮฮามีความสนุกสนานเพิดเพลินตามฐานะของคนมีกิเลสโง่เขาเบาปัญญาเช่นเดียวกับเป็ดเล่นน้านอยู่ใต้ถึงบ้านถึงเดือนก็ต่างพระองค์ก็ไม่ทรงยินดีและมุสาเมตตามีพระเมตตาแนะนาสั่งสอนุดลากออกจาก ความสุดประเภทใต้ถึงบ้านถึงเดือนมีเคี้ยเพื่อจะเห็นความสุขในมหาสมุทรทะเลเหมือนอย่างพระองค์ท่านและสาวกทั้งหลายดังนั้นธรรมะคาสั่งสอนทั้งหมดนี้เป็นการคิดลากให้พวกเราทั้งหลายเลื่อนตำแหน่งหน้าที่จากน้ำใต้ถุนบ้านถุงเดือนอย่างน้อยก็ขอให้เป็นน้ำบึงน้ำบางที่มีความใสสะอาดและลึกบ้างก็ออยังจะดี หากจะพอถึงน้ำมห น, า, ม า, หหนาสมุทรทะเลได้อย่างพระพุทธเจ้าและสาวกแล้วพระองค์ก็ทรงพอพระทัยที่สุดที่จะุูรากบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ไปถึงเขตแดนแห่งความสุขอันไม่ใช่สมมตินั้นเมื่อไปแล้วจะเพื่อว่าไปแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดแจกเจ็บตายงมกองทุกข์กันอยู่นอีกการบ่นพิรำพันจะได้ค่อยสงบไปบ้าง จากโลกบุ่นวายวนี้มีในกล่าวถึงเรื่องโลกนอกโลกหนกล่าวธรรมะในขณะนี้กล่าวถึงโลกไหนให้กลายเป็นธรรมทั้งแท่งขึ้นมาภายในใจในบุคคลคนเดียวนั้นเราเป็นผู้มีอำนาจวาสนาตะพอสมควรแล้ว จึงได้มาอบรมจิตใจของตนเองให้ทานก็รู้จักเลือกเฟ้นแสดงว่าเป็นผู้ฉลาดพอสมควรแล้วเลือกเฟ้นทั้งของฐานเลือกเฟ้นทั้งปฏิฆาหกผู้จะนับฐานซึ่งเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมะพรพุทธเจ้าวะวิเจยยะดา น, นังสุกตัปปสัตทั้งก่อนจะให้ทานทุกอย่างให้เลือกเฟ้นด้วยดี ทั้งของฐานทั้งสถานที่จะบำเพ็ญเช่นเดียวกับบุคคลเลือกเฟ้นสถานที่จะปลูกพืช ผ, ผลต่างๆเช่นนั้นการรักษาศีลก็รู้จักหนักเปาในศีลการเจริญเมตตาภาวนาก็มีผู้แนะนำอบรมสั่งสอน จากหลักธรรมของพระพุทธเจา้านับว่าเราไมา่ได้เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติทานก็ได้บำเพ็ญจนเต็มความสามารถแม้ต น, นของตนก็ไม่อาจจะนับอ่านได้ว่านับตั้งแต่วันรู้จักเดียงสาภาวะมาในชาตินี้ได้เคยให้ทานมาสี่ครั้งให้ทานมากน้อยเท่าไหร่ในครั้งหนึ่งจนกระทั่งถึงบัดนี้ นี่เราก็มีบารมีในทานบารมีมหาศาลเหมือนกันศีลบารมีก็ได้รักษาตลอดมาเงินจะถึงล้านถึงโกดก็ต้องไปจากเงินหนึ่งบาทสองบาทศีลจะประมาทว่าศีลห้าศีลแปดไม่ได้ศีลมากศีลน้อยเป็นศีลของต่างคนก็รักษาเหมือนกันใครรักษาได้เท่าไหร่ก็เป็นของดี เงินล้านบาทจะมีตั้งแต่เงินบาทก็มีคุณค่าเท่ากันกับเงินใบละร้อยเมื่อนับแล้วเป็นเงินล้านบาทด้วยกันสินห้าสินแปดหรือสินสิบเมื่อรักษาให้สมบูรณ์ตามหน้าที่ของตแนแล้วก็เช่นเดียวกับใบธนาบาัตรใบละร้อยและใบละบาทใบละบาทถึงร้อยใบก็ต้องถึงร้อยเหมือนกันกับใบแดงใบนถึงล้านก็นับจานวนคุณภาพได้เช่นเดียวกัน ชื่อว่าเราไม่ได้เสียชาติที่เกิดเป็นมามาเป็นมนุษย์เห็นโลกทั้งโลกนอกได้พิจารณาทั้งโลกในคือโลกกายโลกใจของตัวเองเห็นทั้งความทุกข์ของเขาความทุกข์ของเราเห็นได้พิจารณาเห็นทั้งเรื่องจะ ก, ก้าวพ้นไปจากความทุกข์ซึ่งมีอยู่กับตัวด้วยข้อปฏิบัติคือทามศีนภาวนาดังนั้น จงมีความภาคภูมิใจในอัตภาพและการบำเพ็ญของตนมากน้อยเราอย่าตำหตนิตนเองว่ามีบุญน้อยวาสนาน้อยคนมีวาสนาน้อยจะทำบุญให้ทานไม่ได้คนไม่มีนิสัยปัจจัยจะบำเพ็ญคุณงามความดีไปด้วยความพอใจย่อมเป็นไปไม่ได้คนไม่มีทุนจะคิดการค้าการขาอะไรไม่สำเร็จ คนไม่มีต้นทุนครูรูปณิสัยวาสนาจะบำเพ็ญคุณงามความดีได้ด้วยความพอใจหรือเชื่อเลื่อมใจได้อย่างไรมีรากฐานแห่งมาสนาบารมีของเราบอกอยู่แล้วโดยตรงไม่เช่นนั้นเราจะสามารถมาสละตนบวชเป็นนักบวชนะพระศ า, าสนาเป็นชีเป็นขาวเป็นพระเป็นเนรได้อย่างไรและเราจะสละตัวของเรามาจากสถานที่แห่งกายซึ่งหมดค่าสูหุ่ยจํานวนไม่น้อยได้อย่างไร แม้ชีวิตเราก็ยังยอมสละเสียได้ในระยะทางที่เรามาจะเป็นจะตายเรายอมมอบไว้กับคติธรรมนาทางนั้นแต่ยังไงใจของเราให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการก็แล้วกันหากเราไม่ได้มีความเสียสละเช่นนั้นเราไม่สามารถจะจากบ้านจากเรือนเรามาได้ถึงสถานที่ห่างไกลเช่นนี้นี่ก็เพราะความกล้าเสียสละแม้ชีวิตก็ยอมสละได้ ไม่เสียดายขอแต่การได้ไปประกอบคุณงามความดีให้สมจิตสมใจอัตภาพร่างกายจะแตกที่ไหนปล่อยไว้ตามเรื่องของเขาป่าช้าของร่างกายนี้มีอยู่ทุกแห่งทุกผนเมื่อจิตวิสัยแล้วต้องทิ้งใครจะทําเป็นปลานาปลาก็ไม่ได้ไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นเหมือนกันเพราะคนอยู่ในบ้านก็ตายคนอยู่ในป่าก็ตายคนเดินทางก็ตายคนอยู่ที่ไหนก็ตายเมื่อถึงการแล้วต้องตายด้วยกัน อยู่ในน้ำบนบกมันก็ยังตายสัต์ไม่ว่าแต่มนุษย์ของเราเมื่อเราทิจารณาเห็นคติธรรมนามันครอบเราอยู่ด้วยกันทุก ท, กทกุลายแล้วเช่นนี้เราไหนจะต้องหวั่นไหวกับเรื่องความเป็นความตายนอกจากเราจะรีบเร่งขวนขวายตักตวงคุณดีความงามเ่อคุณงามความดีในเวลาที่มีชีวิตอยู่ให้เห็นประจกกระปิดกับใจของเราเท่านั้นมีน ที่อธิบายมาเหล่านี้เป็นเรื่องสอให้เห็นว่าเรามีวาสนาบารมีด้วยกันจึงยอมเสียสละได้ขนาดนี้เรามาบำเพ็ญก็เป็นการจะเพิ่มคุณงามความดีบารมีของเราให้มากไม่ใช่จะมาตัดรอนวาสนาบารมีของเก่าตนเองให้เสียไปอันใหม่ก็ไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นเราบาเพ็ญไปทุกวันทุกวันก็เช่นเดียวกับเราปลูกต้นผลไมา้ บำรุงลำต้นทุกวันก็กลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตขึ้นมาจากต้นไม้เล็กๆนั้นและกลายเป็นดอกเป็นผลเป็นประโยชน์่ากตนและคนอื่นได้จำนวนมากมายก็เพราะการอาศัยการบำรุงลำต้นนั่นเองมีการบำรุงลำต้นคือการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อจิตใจนี่เชื่อเป็นการบำรุงที่ถูกต้องในหลักธรรม เมื่อจิตได้รับการบำรุงด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวานานอยู่เสมอเสมอแล้วจะต้องมีความสามารถแจกระื่อขึ้นโดยลําดับไม่เช่นนั้นธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนให้บุคคลบําเพ็ญคุณงามความดีอย่างไรเล่าทุกอย่างเมื่อได้รับการส่งเสริมแล้วต้องมีกาลังขึ้นไม่ว่าทางชั่วและทางดีทางชั่วจะ ท, ทําทีเดียวจะเป็นความชั่วสิ่อย่างร้อยเปอร์เซ็นตก็ไม่ได้ ต้องอาศัยการทำแย่ทำเล่าจนกลายเป็นอิสัยของคนชั่วแล้วในตัวของเขาก็มีตั้งแต่ความชั่วทั้งนั้นเพราะความเคยเจนสิ่มที่เขาสั่งสมลักษณะแห่งการทำความดีก็ต้องเป็นการเพิ่มกำลังให้มากขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญคุณงามความดีทุกๆประโยคจึงเป็นบาตรฐานที่จะสนับสนุนจิตใจของเราให้มีกำลังกล้าไปได้เป็นลาดับๆจนถึงจุดหมายปลายทาง ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าโลกไม่มีเกล็ดแดนหรือว่าธรรมชาติที่ไม่มีเกล็ดแดนถ้าจะกล่าวว่าโลกโลกนี้มันมีแล้วธรรมชาตินั้นไม่ควรกล่าวว่าโลกแต่ขอกล่าวว่าธรรมชาติที่มีเกล็ดแดนแดนในความเกิดในธรรมชาตินั้นก็ไม่มีแดนในความแก่ความเจ็บความตายในธรรมชาตินั้นก็ไม่มีเพราะแดนสมมติหมดไปแล้ว เหลือตั้งแต่บรมสุขที่เป็นหลักธรรมชาติตายตัวเท่านั้นไม่มีการยกย้ายหรือผันแปรไปที่ไหนอีกนี่ท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงเที่ยงกับความบริสุทธิ์ของใจที่ไม่มีการเอียงเอียงครับตลอดเวลาเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วมีกีเิตอยู่จะได้ประสบยึดสัมผัสกับเรื่องอะไรก็ไม่มีการเอียงเอียงไปในทางจิตใจตายแล้วจะหาความเอียงเอียงไปที่ไหนไม่มีทางเอียง เพราะเชื่อแห่งความไม่อียงได้สิ้นไปแล้วด้วยอำนาจแห่งมาร ม, มีข้องหล่อในแก้ไขดัดแปลงจนหมดสิ้นไปมีผลแห่งการปฏิบัตินับตั้งแต่กอไก่กอกามาจนกระทั่งถึงมีความรู้วิชาเต็มผูกลักษณะแห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่ต้นก็จนถึงอมาะ ส, สุดท้ายได้แก่ธรรมชาติที่หมดส ม, มุิคุณงามความดีจะต้องส่งเราไปถึงจุดนั้นด้วยกัน มันขอให้มีความภาคภูมิในภพชาติของตนที่ได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์สมบัติคือได้ร่างที่สมบูรณ์ทั้งร่างงลก็ได้มาบำเพ็ญ น, นำมนุษย์สมบัตินี้มาบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นการเป็นฐานสมบัติศีลสมบัติภาวนาสมบัติฤทกิสมาธิสมบัติขึ้นมาเป็นลําดับหนับต่อไปก็จะกลายเป็นมีมุตย์สมบัติ ขึ้นในจิตใจดวงที่รับบำรุงอยู่เสมอนี้ในวันใดวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยและไม่ยมมาเพศใดไวัยใดด้วยการแสดงธรรมก็ถึงมาจะสมควรเกังนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงนำธรรมนี้เข้าไปไก่กรองพ่แกมา ให้เห็นชัดตามสติกำลังก่อนสามารถของตนแล้วบำเพ็ญไปโดยความขายันหมั่นเพียรต่อแต่นั้นไปก็จะได้ประสบพบเห็นซึ่งความสุขความเกเรจรึงขอยุตติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง